ก็ไม่มัวแต่นั่งมองเงาเอาๆนอนกันอยู่ตื่นได้แล้วตื่นกายตื่นใจกับบทสวดสมมาสติสัมมาสมาธิพวกนี้มันเป็นเรื่องของ ทิศทางการมีความเพียรในการเดินทางขยันเมื่อชัดเจนในเป้าหมายวัตถุประสงค์ก็ต้องมีการกระทาลงไปนะการสังเกต อาการของกายของใจทะละขณะนะอันนี้มันเป็นวิปัสนามาวัดป่าสกต่อเข้าถึงตัววิปัสนารู้สึกอะไรเกิดขึ้นให้รู้สึกเป็นภาคปฏิบัติการบทส่วนเป็นการตอกย้ำส่วนทุกวันนะ ต อ, อกย้ำทุกวันไปเกิดความเกรงใจเกรงใจใน พ, พุทธเกรงใจในพระธรรมเกรงใจในพระสงฆ์เกรงใจในพระาศาสดาเกรงใจในธรรมที่มันทำให้เกิดความไม่ประมาทห ร, รือว่าการรู้ความรู้สึกตัวนะ่คตัวสติปัฏฐานเกรงใจกันในบท สนธนาปฏิสันนานต่างๆเกรงใจกันแต้วตัวศาสนาคือตัวเราผู้ศาสนาที่องสมเด็จพระาศาสดาหรือวัวดวาาานนำสิ่งที่ว่าเจ้ารู้มาพูดกันต่อไปสืบทอดภาษาศาสนาะน ชี้ทางมันไว้ชัดเจนเลยในจิตในใจของเรามันมีบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์็คือสุขทุกข์นั่นแหละให้นรกก็เรียกว่าทุกข์ทำบาปก็ลงนรกทำบุญก็มีความสุขก็เรียกขึ้นสวรรค์ชี้กันเงื่อนนั้นก็มีอีก ก็เรียกว่านิพาเนเหนือสุขเหนือทุกข์สุขมมีสุขเผาสุขตีสุขในวัตถุกรรมคุณกรรมะลมต่างๆกอดความพอใจไม่พอใจยิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสหัเลาะเลิงล่าคึกคักเลก็เลิกบาเทีเป็นความสุขที่มอมเมากัน สร้างภาพชีนนำสร้างกระแสคนโง่หลงเหมือนแมงเม้าบินเข้ากองไฟร้อนรุม่มท้ายสุดงงสับสนตัวเองเงินมากขึ้นมาถูกมากขึ้นคนร้อมหน้ารอมหลังมากขึ้น เกรยรตดยศสรนสนมากสึ้นขึ้นแต่ว่าอยู่คนเดียวมันเหงาว้าเวมันบอกไม่ถูกมันคือความทุกข์นั่นแหล ะ, ะที่มันดักหน้าดักหลังเราอยู่ตลอดระเวลาทุกข์วสังคมเศรษฐกิจการเมืองมันกลายเป็นทุกข์ว่าสังคมเศรษฐกิจการเมืองสุขภัพรซัตระการสติปัญญาประมาททุกข์วัตย์ สุขพระคนะทุกข์พระคนมีสุขภาพมีความสุขเราสุขภาพดีทายส่วนทุกข์เพสุขภาพที่ดีนะเวลามันแก่มันเจ็บมันป่วยเหนื่อยอย่านะมันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมากิเลสเกิด มีข้อมูลชีวิตนข้อมูลไม่ตรงก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสป่าไปสู่ความทุกข์ความไม่รู้ตรงนี้เราเจึงมาวัดป่าสุขโตกันนั่งอยู่ตรงนี้ตอนรุ่เช้ามาตอกย้ำตัวเองกันในบทสวดแล้วก็ปฏิบัติธรรมเจริญติปัฏฐานกัน ทุกๆกระหน่ำแต่ลืมตามาแล้วนะก่อนนอนเมื่อวานา น, นอนหลับแล้วก็แล้วกันหลังจากที่เราลืมตากันมาเราเห็นนะความคิดเพลอมาอะไรมันก็เกิดขึ้นเพลือมาอะไรมันก็แลบออกมาบกบาบาบาบไหวเพลือลืมเนื้อลืมตัวเราก็ฝึกหัดตรงนี้แหละปฏิบัติทำรรก็คือตรงนี้ฝึกหัด ให้จิตมารู้อยู่กับปัจจุบันแต่ว่าการที่จะรู้ปัจจุบันนะปีบันที่อะไรปัจบันที่รูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมมันเป็นละเอียดเป็นความร่มลึกชัดเจนก็วาไนดะ้ของผู้ที่มีตาในมีสติแต่ถ้ายังไม่ค่อยมีสติรู้ดุลก้อนเมก่อนกายเคลื่อนไหวใจรู้นะกายดุลก้อนเ่อหัจะว่าเทานั่งเดินยืนนอนนะ มันหยาบสุดๆเราก็ได้เคลื่อนตัวไปเรียว่าภาวนาเดินทางไปถูกน้อยลงน้อยลงน้อยล ง, ย, งยิ่งขึ้นไปจิตสูงเป็นการจัดการจราจรทางจิตจิตที่มันจับสนยุ่งเหิงฟุ้งซ่าน หลังเลสงสัยในชีวิตเนี่ยไม่ถึงจุดหมายไปทางสักทียังดีมอยู่ตรงไหนยังหาดีกันเอ่เจอบุญอยู่ตรงไหนบุญคืออะไรลักษณะเป็นอย่างไรในใจเราหรือว่าไปหานอกตัวกันความสุขเกือนมาจากข้างนอกก็เรียกว่าวัตถุนิยมบนนิยมบริโปกนิยม ก็เป็นวัตถุ ก, กรมคุณเป็นคุณไม่ใช่วัตถุ ก, กรมโทษนะแต่ว่าถ้ามากไปน้อยไปก็เป็นโทษเป็นทุกข์มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ก็มีไว้ใช้มีกายมีใจมีวาจาไว้ใช้แต่การนี้การที่ใช้มันกเกิดจากจิตของเราที่มันต้องคิดคิดแล้วพูดคิดแล้วทำอย่างขนาดนี้เวลาพูดนี เจตนาคิดตั้งใจคิดไนงะตั้งใจคิดเสียพลังงานไนงะตอนนี้ที่นั่งเข็นมันมีพลังงานที่ถูกใช้อยู่เหนื่อยเวลาพูดออกมาเหนื่อยแต่ถ้าพูดไปเรืเ่อยเปื่อยไม่เหนื่อยครับเขาพูดไปเรืเ่อยเปื่อยเขาพูดไปสอเสียคำหยาเพิ่เจอโกหกพูดปล่อยพูดปพร่ ประเภทนี้ไม่เหนื่อยแต่กรรมน่าดูเลยเป็นวจีกรรมเป็นพฤติกรรมเป็นกายกรรมเป็นมโนกรรมกรรมดีกรรมชั่วจะมีรสชาติมีรสชาติเป็นรสชาติอบายภูมิก็มีรสชาติของมันบางทีเนี่ยคนกินเหล้าร่วมไม่ดีแต่ก็กิน คันกินรั่วมไม่ดีสุขภาพเสียก็อยากจะเลิกแต่เลิกไม่ได้ที่พูดอย่างนี้มีหลักการและเหตุผลรับรองจากประสบการณ์อย่างอาสองวันก่อนไปซื้อแผ่นสังกสีสีเขียวด้วยกองอยู่นะไปสั่งวันจันสงกางเดี๋ยวก็จะเป็นคันยาวก็ลงไปสั่งของเองก็ให หัวหน้าช่างก็ขับรถไปเขาก็สรภาพตอนที่เะอมาถึงแล้วอาจารย์ครับผมนี่ติดเหล้าขนาดหนักเลยทำงานผมอยากจะเลิกครับรู้วมไม่ดีแต่ก็อดไม่ได้ก็เลยว่า ด, ดีชั่วรู้หมดถ้หอดไม่ได้จะทำยังไงจริงๆถ้าเดิมแต่ประดีมันก็ดีอะโยม เห็นคุณค่าของมันนะเดิมไปละแต่ถ้าเห็นเป็นโทษแล้วอยู่ซะมันเป็นโทษแล้วแต่เห็นมันเป็นโทษถ้หยุดเลยจิตใจที่เข้มแข็งก็เลือกได้ทันทีก็เป็นเพื่อนให้คําพูดแต่จะทําได้ไม่ได้ขึ้นอยู่ตัวเองเห็นว่าเออมันเป็นคุณเป็นโทษอย่างไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตมีวัตถุกรรมคุณ เถูกกมาคุณมันให้คุณอยู่จะมีปัญญาหยิบมาใช้มีรถหยิบรถมาใช้ง่ดีรู้จักกฎจราจรตงรงเวลายหยุดก็หยุดตรงเวลาเลี้ยวก็เลี้ยวแต่ก่อนเรื่องเปิดไฟเลี้ยวนะเวลายหยุดต้องรู้ยระยะเบรกเท่าไหร่อย่างเห็นนะักววาทุกคนนึงมาที่นี่ระยะเบรกไม่พอแปดคนก็ ปากระโปรงหน้าเปิดเลยอย่างเงี้ยานนี่นก็ดีใดก็ดีเหมือนจิตใจของเราว่าการที่เราเจอกับอารมณ์ต่างๆเวลาปฏิบัติเนี่ยรู้จักหลบรู้จักหลีกรู้จักเลี้ยวรู้จักแซงรู้จักเล่งอย่างไรอันนี้แหละจึงต้องมีบทบทเรียนมีแบบฝึกหัดกันทุกคน มันจะได้รู้จักระบุนบาปเป็นยังไงนรกสวรรค์เป็นยังไงทุกเป็นยังไงเหตุแท่งทุกเป็นยังไงการก้าวล่วงออกจากความทุกเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงสติปัฏฐานสี่สติเห็นกายเห็นวิณาเห็นจิตเห็นธรรมมันไม่ใช่คําพูดแต่เป็นลักษณะของอารมณ์ปฏิบัติมันเป็นความรู้สึกตัว ใหม่ๆเป็นความรู้ึกตัวที่เกิดขึ้นจากการเกรื่อนการไหวหยับๆยรู้สึกที่ตัวนะตัวกายอันนี้เป็นบุญกริยาวัตถุเรียก ว, ว่าภาวนาใหมมันสูงกว่าศิลมัยสูงกว่าธานามัยรู้สึกตัวครั้งหนึ่งดีกว่าสร้างโบสร้างวิหารลานเจดีหลวงปู่เทียนก็พูดอย่างนี้ ให้เราเห็นอย่างนี้นมันจริงมันเกิดปัญญามันไม่ทําให้เกิดรัดใจฟูพิติอิ่มสุขแล้วก็ติดยึดมันทําให้เราสว่างสวยเห็นความจริงมาเห็นความจริงก็อยู่กับความจริงอย่างเข้าใจมันก็เกิดการปิดปล่อยรังจิตวิญญาณขึ้นมาเกิดการวางเกิดความว่างสะดวก มันเป็นภาษาเป็นอาการด้วยอาการภายในจิตใจของเราซึ่งแต่ละคนก็ต้องพบเจอเป็นประสบการณ์ตรงของใครของเรากันบดเป็นไงบาเป็นไงเหนือบนเหนือบาเป็นยังไงกคำขาวเป็นไงกรคำดำเป็นไงไอ้ทิมไม่ขาวไม่ดํามันเป็นไงเป็นธรรมชาตินะมันเกิดมาจากความรู้สึกตัวเบื้องต้นนั่นแหละสติดูกายสติดูจิต จิตไม่ต้องไปหาดูดูความคิดซึ่งเป็นอาการของจิตจับหยามให้ทันซะก่อนมันเห็นจิตอยากๆจิตคิดปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปมันเห็นจิตทิมประพัดสอนฟองใสถ้าอยู่เนะือบุญเนะือบาปออกมาได้จริงๆเป็นความรู้ตัวเป็นความปกติภายในจิตเกิดความเป็นกลางเกิดความสมดุลขึ้นมามนจะรู้เฉยๆอย่างมันปล่อยวาง ก่อนมันรู้ไม่เฉยหรอกคนยกไม้ยกมือนะรู้เฉยเนะถ้ารู้เฉยเฉยตรงนี้ได้นะเดี๋ยวมันเฉยเฉยกเรื่องอื่นอีกมากมายแล้วกันความทุกที่เกิดขึ้นมันก็ใจมันเฉยแบบมีปัญญาแบบคมในฝักไม่เฉยแบบซื่อบื้อเฉยแบบเซ่อเซซาซเฉยอยู่แต่ไม่รู้อะไรไม่รู้หลบไม่รู้หลี เะฉะนั้นจราจรทางจิตนี้ต้องชัดเจนทีเดียวตรงไหนควรหยุดก็จะดตรงไหนควรแซงก็แซงตรงไหนควรผ่านก็ผ่านตรงไหนควรสังเกตก็สังเกตพร้อมเป็นทางสุดโต่งสองทางที่ไม่ควรดำเนินทางหนึ่งก็เป็นกามมาสุขาหรือการโยกติดสุขรักสุขเกียดทุกข์บนนิยม ติดดีหลงดีอวดดีบ้าดีมันดีไปทางโน้นนะดีไปทางเป็นตัวเป็นตนรู้ไหมว่ากูเป็นใครกูจะดีแบบนั้นการือทางตันมันตันจริงจริงมันเตะจริงจสับสนจริงจงอยู่คนเดียวมันมันเหงาหวาดเวรมันคีน้อยใจมันอึดอัดมันคลับแคนใจมันอยู่ยาก ทั้งๆมีอะไรมากมายแล้วกรอบๆตัวเราอึดอัดอยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้หรอกคนประเภทนี้เราก็ เ, าเห็นแก่ตัวอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดนะยอดเงินบัญชีก็เยอะแยะทราบสมบัตก็หยิบมาใช้ไม่หม ด, ด้วยไหวบุคคลบริวารก็มากมายแล้วอยู่คนเดียวจะอยู่ไม่ได้ประเภทนี้จะนั่งนิ่งๆยกมือสร้างแค่ว่าวให้จิตใจมัน ตื่นรู้รู้ทุกรู้ตื่นบิกบานมันทั้งตือนรู้ทั้งรู้ตื่นนะการที่รู้ตัวมีทั้งตัวรู้มีทั้งรู้ตัวรู้สึกตัวเนะแต่เห็นสองตัวได้ก็แสดงวิปัสสนาญาณนเกิดขึ้นไวการเคลื่อนไหวกายเนี่ยมันมีตัวรู้อยู่ตัวกับรู้ตัวอยู่ตัวงไอ้รู้ตัวนี่ก็คือรู้สึก ้ตัวรู้งคือตัวสติตรงนี้มันก็จึงต้องมาได้ยินได้ฟังกันมาวัดมาวาวันเป็นที่อยู่ของปู่ชนีบุคคลเป็นสัตบุรุษเป็นพระผู้ศูนร์เป็นยิบิณยูชนเดี๋ยวว่ารู้รู้จริงๆอย่างเงี้ยมันมีมากมายแล้วเกินทุกวัดนั่นแหละที่เขาสร้างขึ้นมาเจตนาเกิดมาจากผู้รู้ ผู้รู้ที่ผู้รู้แต่ละคนแต่ละท่านก็รู้อะไร ก, ก็อยากบอกอยากสอนอยากชีอ้อยากนําอย่างวัดป่าสโสตก็จากผู้รู้ที่เขจะมานแตกฉานวิธีการปฏิบัติธรรมแนวเคลื่อนไหวเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธยจจิตตุลโพเขารู้ชัดวิธีการนี้มันทำให้ทุกข์ลด ว่าไม่ทุกข์ได้จริงๆเขาก่อตั้งขึ้นมาสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาเป็นวัดป่าสุกโตฟังชื่อซะก่อนนะวัดป่าสุกโตใครกลาตั้งมังเชิญเนี่ยสุกโตคือไม่ใช่สุขติไม่ใช่ทุกติทุกติคือเปรตสันนิลกสุลกายเป็นอบายพรมภู ม, ภมตัาสุขติเทวดาพรมสุขติ นิพานเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุคติเดินเหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนตัวจะมาบอกแยกให้ชัดเลยนิพานแล้วคือสุคโตไปแล้วด้วยดีเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนือตายเหนือพบชาชรามรณะเหนือวตัตตาสงสารเหนือสังสารวัฏไปอีกก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะนัะ่นคือสุคโตนั่นแหละทั้งคนที่ตั้งเนี่ยตั้งชื่อนะ ต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาบางค น, นเออรู้แล้วชัดเจนในเส้นทางของมรรคผลนิพพานทัดิราก็คือหลวงพ่อขียนเป็นผู้ตั้งชื่อให้สุขโตทที่สอบถามแล้วแต่แม่เพียนก็บอกพอกันหาตั้งชื่อให้ว่างั้นไม่รู้ไม่รู้เป็นกัรอ่นว่าไม่รู้แต่ได้ยินจากหลวงพ่เขียนหลวงพ่อขียนพูดว่าสุขโตนะ ว เ, เ, เหนว่าันะวัดป่าเอราวัณวัดเอราวัณนีไไ่ไม่ไม่เหมาะที่นี่นี่มีลักษณะคล้ายช้างเมื่อเราไปทางถนนทางนู้นมองมาสมัยก่อนมีต้นไม้เยอะนะมันเหมือนกับลัหนณะของช้างหมอบช้างหมอบช้างเอราวัณก็ถือว่าเป็นเป็นเทพของช้างเลยเอราวัณ ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นวัดป่าสุกตอันนี้เป็นทางการชื่อว่าวัดป่าเยลวันนะแต่ตอนหลังเนี่ยชื่อเล่นมันติดปากคนมากกว่าวัดป่าสุกตก็แปลว่าไปแล้วด้วยดีไปแล้วด้วยดีเพราะฉะนั้นเรามานะมายังไงล่ะมาไม่ดีมาแบบทุกทุกมาขี่เหล่าเมายามีความทุกข์มีปัญหาเรื่องสุขภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองต่างๆ ปัาเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องญาติพี่น้องนะมาที่นี่มาไม่ดีมันก็มาถึงแล้วก็ปฏิบัติธรรมมันก็ดีมาไม่ดีกลับไปมันก็ดีแล้ว่ามาเมืดไปสว่างมามือทึ่เต๋อเลยชีวิตสับสนยุ่งเหย่งแต่ไปสว่างเรื่องมาสว่างบางคนก็รู้เรื่องราวต่างๆพิธีปฏิบัติต่างกายทางใจน การรักายยป็นไงวินัยกายเป็นงไงวินัยรักษาจิตใจเป็นงไงวินัยรักษาวาจาเป็นงไง ร, รู้มามีศีลมามาต่อยอดให้ศีลยิ่งยริงๆกันไปเป็นศีลขันเป็นสมาธิขันเป็นปัญญาขันก็คือรู้สึกตัวเอ็มตีขึ้นทีขึ้นจะเป็นปกติเต็มพื้นที่ภายในจิตใจของเราเป็นพลังงานของชีวิตบางทีมันใช้ยินหมดพลังงาน รางกายอ่อนลาไปหมดเรี่ยวมดแรงไปแก่เท่าหล่อเยจิตใจอะโติดตีดตันๆวิธีคิดต่างๆใช้ไม่ได้เลยพอรู้แบบจบด็อกเตอร์กิเลนก็จบด็อกเตอร์ด้วยจบปริญญโทกิเลสก็จบปริญญาโทด้วยปัญญาตีกิเลนก็ปัญญาตีด้วยเวลานั่งกิเลสก็นั่งวเวลานอ น, นกิเลสก็นอนด้วยรู้ไม่ดานมัน ทำไมฝึกวิชากรรมฐานจะไปที่ทางไหนติดติดตันตนติด ต, ติกัดกัดในชีวิตเราก็จึงเนี่ยพบทางพบทาง ม, มาวัดได้ยินได้ฟังฟังแล้วมันเป็นเรื่องเขาใส่จรทำหรือไม่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจริงหรือไม่พิสูจน์เอาเอา น, นี้มันกระทบรู้สึกเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับใครแล้วผู้ชายผู้หญิงเด็ก ชาตไหนสานานไหนเกี่ยวกรู้สึกได้ทั้งหมดแต่ถ้าเผลอไปโกรธก็หน้าแดงแก้มแดงหูแดงเหมือนกันทุกคนเวลาทำอะไรผิดก็เสียวสันหลังเป็นวัวสันหลัวะสะดุงวดหวาดผวาหายใจไม่ตัวท้อนงะหรือว่าประมาเข้าชุดชนไหนก็ประมาเจอแสงสว่างก็หลบหลบสนสน อันนั้นก็บอกถึงทิศทางที่มันแม่มันควรไปไหมมันต้องปรับมารู้สึกตัวกันเหมือนกันทุกคนมันไม่ได้เกี่ยวกับใครที่ไหนหรอกมันเกี่ยวกับมนุษย์ทุกๆชีวิตแต่ยังทุกข์อยู่ต้องรู้สึกตัวไงเราศรัทธาไหมล่ะไม่ได้ยินอย่างนี้เชื่อไหมล่ะถ้าไม่เชื่อไม่ได้ทําำนะถ้าคนเชื่อไม่ได้ทํำนะทำไมาไม่เชื่อแล้วมาทํามเกิด ก, กายเป็นบาปอีกมาสร้างบาปต่อไป ไม่ว่ากันพัิณิมคือป่าอิสิตปัมตานีามรกะทายวันสถานที่ปล่อยบาปให้กิเลสแสดงตัวออกมาจะได้ฝึกกันสอนกันนี่วิ่งเงยือตัวเองสอนตัวเองถ้ารู้สึกตัวกิเลสจะได้สอนนะครับกับฐ า, านเน่ยเดินเซซ้ายเซว า, ซ า, าตกฐานทางเดินชงกรมนั่นแนะหละกิเลสเยอะๆตรงนั้นนะถ้ากิเลสไม่เยอะเดนนินนิ่มนุ่มนวลนสบายอกสบายใจเดินได้ทั้งวัน ไม่เกี่ยวก็อยู่ที่ไหนเมื่อไหร่อยู่กตัวเองนี่สบายใจมีความสุขที่สุดในโลกจะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องได้เป็นประโยชน์ชี้กันชวนกันโจงกันไปทิศทางสว่างจะมาเมื่อกี้โจงไปทางสว่างไปทางไม่เสื่อมเรียกว่าคารยานามิตรอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่เพื่อนธรรมดาบางีเพื่อนเป็นเพื่อนบากระได้มิตรบากระได้ มิชวนไปทางเสื่อมมิดปอกลอกมิประจบประแจงเป็นอย่างนั้นพูดอะไรก็เออดีดีจ้าทำไม่ดีก็โอ้ไม่เป็นไรจ้าดีจ้ารับหลังอันินทาจอยช้จยจย้จยจย้จยจยยวัดแตกหมดนะเพื่อนเรามาทำบุญทำทานกันรักษาศีลกัน ยิงต่อยอดก็เป็นตัวภาวนานในสุดยอดจริงๆรู้สึกตัวรู้สึกตัวเชื่อหรือเปล่าตรงนี้เอาถ้าเชื่อก็แยกแยะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนั่งแยกแยะมันเป็นยังไงกันที่ทำมามาทั้งหมดทั้งชีวิตถึงวันนี้แล้วได้คําตอบไหมอ่นานมาในเชื่อในคําพูดคําสอนของครูบาอาจารยรา์ด้วยว่าหลวงพ่อเขียนหลวงปู่เทียนด้วย ครัวอาจารย์ทั้งหมดที่มีอยู่ไม่ว่าใครก็ตามฟังได้หมดเลยหรือว่าเวลาสวดมนต์ทุกบทสวดได้หมดมีประโยชน์หมดอันไหนที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวก็เข้าใจวันนี้ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เข้าใจเผื่อใจเอาไว้มาทำบัตรสวดมนต์ทุกวันเนี่ยมีประโยชน์เป็นศาสนพิธีเห็นประโยชน์ ทำให้เห็นหน้าหเห็นตากันแล้วก็รู้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมของวัป่าสุโตชุมชนวัดป่าสุโตคนที่อยู่ในวัดไปไปม า, มาๆกันคนอยู่ประจํามีลักษณะกันอย่างไรจะได้เกี่ยวข้องกันได้มันก็แยกแยะ แ, แ, แบบเนี้ยด้วยก็วประโยชน์ตัปวตประโยชน์ทันกันไหมรู้หลบเป็นปีกรู้หลีบเป็นหางกการร่วมกิจกรรมเนี่ยแหละโดยเพราะมันสำคัญท่านบ๊ะเจิดมนฑ์น เราจะไม่สวดกันเนเพราะแกเข้าพรรษาสามเดือนอนอกพรรษายัางมีการทำบัตรสวดมนต์กันอยู่นะนะแล้วที่สำคันก็คือมันเป็นการฝึกสติปัฏฐานด้วยลักษณะที่ฝึกสติกไ็ได้ง่วงเหงาเหานอนงกง่วงพราะนี่วารธรรมเรารู้จักดีไม่สงสัยในคำสวดผิดสวดด้วยก็สวดเฉยๆได้ยินยังไงก็สวดตามอย่างงั้นเห็นยังไงก็สวดตามไปอย่างงั้นนะ แต่ที่สำกันก็คือมันมีสติตื่นเห็นกายเห็นวิจัยเห็นจิตใจของเราก็นนะทำวัดสวดมนต์โยมเห็นไหมเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเราเจตนาสวดอยู่มันมีความคิดที่เราไม่ได้เจตนาตั้งใจจอ่จอๆเข้ามาสัมผัสได้ไหมเวลาปากเราเคลื่อนไหวขยับเปล่งเสียงในลําคอเนี่ยมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาเนี่ยเดีรู้สึกตามไหมนั่นเราเรียกว่าเห็นธรรม เห็นธรรมอธมาเชื <If S 1> ่อมันเลยนี่แหละคือการเห็นธรรมเห็นการเคลื่อนการไหวของกายของจิตเห็นตัวสติที่เป็นกลางเห็นตัวรู้ทิมทํางานทําได้ความรู้สึกตัวไอตัวหลงก็ทํางานเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยมีพลังเท่าไรหรือบางทีมันก็ไม่ได้หลงอะไรเลยมันเป็นอาการที่บริสุทธิ์ขอมันที่มันแสดงออกตามเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยเออได้เห็นไหมล่ะ เพราะนั้นมันเห็นนี้วรลธรรมมันก็ผ่านนี่วัลธรรมทาไม่มีนิ่วัลธรรมสติมันก็เต็มที่ภายในจิตใจของเรามาะแก่การงานเมื่อเกิดพูดโถ่เกินมาคิดโถ่เกินมาทำโถ่เกินมาก็เรียกว่าสุจริตจิตใจก็สุจริตวาจาสุจริตทำวัดเสดมันมันสุจริตตรงไหนมันเป็นสุจริต คนที่นอนอยู่ไม่มาทำวัดเนี่ยเราฝันอะเนี้ทุจริตนั่นนี่ทุจริตเนชื่อเ่าหรอที่พูดอย่านี้เชื่อเ่าอยู่วัดอยู่ว่างต้องเคารพเกรงใจในความไม่ประมาทในธรรมที่ทําให้เกิดความไม่ประมาทต้องตื่นขึ้นมานอนหลับไหลนี่มันก็เหมือนกับขี้เหล้าตอนนี้ก็ยังเมานอนกันอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เมาลหลับเมาที่นอนอยู่ขี้เลหล้ากัเมาแอลกฮอฮอล์ก็กำอยู่ เพราะนั้นการฝึกสติทาให้ผ่านนี่วัฒธรรมแน่นอนยังทักตั้งแต่ต้นเลยว่าเออนั่งง่วงเหงาเหานอนอยู่หรือเปล่านะมันเป็นอาหารของอวิชชาของความไม่รู้นี่วัฒธรรมะแต่เมื่อผ่านนี่วัฒธรรมมีสติอยู่รู้สึกตัวอยู่เป็นอาหารของตัวรู้ของความรู้รู้ตัวมันมารู้ตัว ตัวกายตัวใจของ ร, รู้จักใช้ชีวิตรู้จักทําหน้าที่ต่อไปเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ที่กายที่วาจาที่จิตใจของเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือการกลับมารู้กายรู้ใจของเราหยิบกายหยิบใจของเราใช้ด้วยปัญญาด้วยสติด้วยความรู้น ร, รู้ตัวอันนี้เรียกว่ากรร ม, มฐาน ทำอะไรก็เป็นกรรมฐานคิดก็กรรมฐานพูดก็กรรมฐานทำก็กรรมฐานแล้ว่ามีเจตนาจะคิดก็เจตนาคิดจะพูดก็เจตนาพูดจะทําก็เจตนาธรทำเพราะฉะนั้นเริ่มที่ไหนก็เริ่มที่การเคลื่อนการไหวรู้สึกตัวให้เป็นของหยากที่สุดเรียนง่ายที่สุดแต่ว่าอนุบาลการเคลื่อนไหวรู้สึกพอมันเริ่มเคลื่อนไหว จนจำนานขึ้นจํานานขึ้นจํานานขึ้นโอ้มันจะเกิดการแตกฉานขึ้นมาภายในใจของเราตรงนี้มันจะเฝ้าดูตัวเองเลยนะคนที่สติเกิดมันจะอยู่ตามช่องช่องช่อช่ อ, ชอคนเดียวมาสังเกตได้บอกเลยยังไงยังไงก็สังเกตได้ไม่หลอกด้วยคนไหนที่ได้อารมณ์คนไหนที่ไม่ได้อารมณ์แต่มาอยู่ที่นี่เนี่ยหลวงพ่อเขียนมีนโยบายชัดเจนว่า ให้มีความแตกต่างจากที่อื่นนะเวลาปฏิบัติไม่ต้องตีของมงต้องคอยบอกกันเวลารู้ในตัวงตัวเองสิไม่ต้องคอยบอกกันมงนี่เวลากินนะรู้ในตัวของตัวเองสิมีปัญญาเปล่ามงนี่เวลาทําวัดนะมันต้องบอกกันหนนั้นไงละเดี๋ยวเวลาจะตายต้องีของบอกได้มงตายได้แล้วนะแล้วค่อยตายอย่างนั้นใช่ไหม เวลาตายมันบอกไหมนะตรงตีค้องบอกเวลาทุกเวลาโกรธตั้งตีค้องบอกไหมไม่ต้องใช่ปะ่ะงันต้องดูที่ตัวเองเวลารู้สึกตัวรู้สึกตัวเนะี่ยโอ้มันชัดเจนที่สุดอย่างญาติโยมหลายคนนอะมาสังเกตเหมือนกันนั่งสนทนาธรรมกันยืนสนทนาธรรมกันที่นี่ไม่มีนโยบายสอบอารมณ์เลไม่มีนโยบายที่จะ ย, ยืนแล้วก็ไปบอกอารมณ์กรรมฐาน ไม่มีหลวงพ่อเขียนบอกเลยจะแก้อารมณ์กันก็ตอนนี้เลยตามวัตเสด็จมันฟังธรรมตอนนี้เป็นการแก้อารมณ์กันเป็นเรียกว่าอารมณ์ร่วมกันเลยสัจจะความจริงเนี่ยเป็นนโยบายของหลเขียนมีนโยบายให้ทุกคนเนี่ยมีสละตัวใครตัวเราเนนีะ มันก็ทำให้เราได้อิสระแต่ว่าเอาอิสระเหล่านั้ น, น, นไปทําอะไรได้โอกาสเนี่ยไปทําอะไรเอามาเดินถุยฉายชมนกชมไม้เอามาเพื่อที่จะก่อกรรมใหม่ต่อไปแล้วก็เสี่ยวลาชีวิตกันมาเมืดไปมื่อมาสว่างไปมื่อเพราะฉะนั้นเราก็ต่อยอดกันนะมามื่ไปสว่างแล้วก็มาสว่างไปสว่างอย่างยิง่งไป แบบว่าเรื่องความรู้สึกตัวคนใหม่ฟังที่นี้ก็เอาอย่างนี้นะรูปแบบปฏิบัติเนี่ยมือซ้ายมือขวาว า, างนี้หัวเข่านะคนใหม่ทําเลยนะให้กรรมาฐานตอนนี้เลยพลิกมือขวาตั้งขึ้นรู้สึกตัวยกขึ้นไป ใ, นให้รู้สึกตัวขื้นมาวังที่สะดือ ใ, ให้รู้สึกตัวใหญ่คนที่นั่งบนมืออยู่นะมือลงซะแกรู้ตัวเปล่านะ เอามือลงแล้วมือซ้ายมือขวาวันที่ออกเข่าทําตา ม, ามพลิกมือขวาตั้งขึ้นรู้สึกตัวเอาใหม่เลยยกขึ้นไปรู้สึกตัววึงตั้งไว้ที่สะดือรู้สึกตัวมือขวาตั้งเออมือซ้ายตั้งไว้รู้สึกตัวยกขึ้นไปรู้สึกตัวกระทบทับหลังมือขวารู้สึกตัวขวามันที่ออกรู้สึกตัวออกไปรู้สึกตัวรู้สึกอยู่นะ ตั้งไว้ที่เข่ารู้สึกตัวความลงรู้สึกตัวซ้ายขึ้นมาที่ อ, อกรู้สึกตัวออกไปรู้สึกตัวตั้งไว้ที่เข่ารู้สึกตัวความลงรู้สึกตัว อ, อีกรอบนึงตอนนี้มือขวามือซ้ายวางที่หัเข่าหนะ่วางกายวางใจใมันรู้สึกธรรมดาธรรมดาไม่เหมือนกับฝึกฝืนบังคับตัวเองงไม่ต้องธรรมดาธรมารมชาติพิงมือขวาตั้งรู้สึกยกเป็นไปรู้สึก ก็นวางที่สะดือรู้สึกมือซ้ายตั้งไว้รู้สึกยกขึ้นไปรู้สึกกระทบทับหลังมือขวารู้สึกมือขวาขึ้นมาที่ออกรู้สึกออกไปรู้สึกตั้งไว้ที่ข่ารู้สึกความลงรู้สึกซ้ายขึ้นมาที่อกรู้สึกออกไปรู้สึกตั้งไว้ที่ข่ารู้สึกความลงรู้สึกเนี่ยหลังจากที่รับรู้เรื่องอารมณ์กรรมฐานแบบเนี้หลังจากรู้แล้วให้ไปฝึกไปหานะ เรต้องมีบรรยากาศของกาลยานมิตด้วยเช่นสร้างห้องเรียนกรรมฐานเอาไว้นะีรานหินโค้งนะให้ไปเข้าห้องเรียนใะหรืออยู่ที่สราหอไตรนี่ก็ได้ใต้ทุนก็ได้ให้ตั้งใจไปัตบเพราะว่าคุณอานันต์ก็โทษมาหันน่ะอารอมณ์กรรมฐานนะ่ทำให้เกิดที่ปัศนายานหมายถึงว่าทำถูกด้วยนะ่ะทำต่อเนื่องถูกต้องมันมีผลเดินทางจิตใจของเรา มันจะไม่ติดไม่ขัดแต่ถ้าไม่ตั้งใจนะโทษมหันยิเกิดขึ้นมาเช่ น, นาอารมณ์วิปัตนะจินยานวิปลาสมันคอยอยู่เพราะนั้นรู้สึกตัวในไม่ต้องใช้ความคิดอะไรนะคิดแล้วพูดคิดแล้วทำไม่ต้องใช้บริกรรมก็ไม่ต้องใช้ใช้แค่รูปแบบการเคลื่อนไหวนะ สิจังหวะเกินมือแต่ละจังหวะรู้สึกไปเรื่อยๆเป็นประจัยขณะขณะหนึ่งวินาทีนึ่งรู้ครั้งหนึ่งไปเรื่อยๆถ้านั่งเมื่อยก็เดินจงกรมขณะเดินจงกรมก็วางกายวางใ จ, วา ง, ใจวางหน้าวางตาดีๆกริยาท่าทางเดินแบบผ่อนคลายธรรมดาธรรมดาไม่เค็งไม่เกรง็งไม่เพง่ไเพงไม่จ้องไม่เกินไม่เขินแล้วก็ไม่กลัวเดินธรรมดาธรรมดา เสร็จแล้วรู้สึกรู้สึกรู้สึกมือจับกันไว้กอด อ, อกก็ได้จับไวข้างหน้าก็ได้แหว้งหลังก็ได้ที่สาคัญที่สุดคือออกจากความคิดทุกชนิดนะความคิดอะไรที่มันเกิดขึ้นมาขณะที่เราปฏิบัติให้ออกมาสัมผัสรู้สึกนะตรงนี้แหละมันจะได้มีประสบการณ์ตรงนะเวลาที่มาอยู่ที่วัดป่าสโมโสุกโตเป็นชั่วโมงนะ หว่าเป็นหลายๆชั่วโมงเป็นวันสองวันสาวันสี่วันห้าวันลองฝึกหัดดูตรงนี้เชื่อหรือไม่มีศรัทธาหรือไม่นอันนี้ก็ได้บอกได้ชี้ได้นำไปแล้วนะเพื่อให้เราได้เหมือนกับว่าเห็นที่เห็นทางเห็นลักษณะของการมาใจ ช, ชีวิตใจกายใช้ใจใช้ใชสพพยะที่วัดป่าสุขโต เวลามืนกันว่าเห็นบุญเห็นบาปเห็นแล้วนะของทางเดินสู่การพ้นทุกข์เมื่อนบุญนะบาปเข้าสู่สภาวะปกติของจิตที่เรียกว่าทางสายกลางมัชจิมาปฏิปาทาทไม่ใช่ทางสุดตรงสองทางที่ไม่ควรดําเนินอันนั้นเป็นทางสุดตรงเป็นทางตันแต่ว่าวิปัสสนาญาณทางสายกลางเป็นทางผ่าน มันจะผ่านแล้วนะของคนเป็นแล้วนะของมนุษย์เป็นุูุชนต่างๆยกจิตสูงขึ้นมปจะทั้งเป็นแล้วนะของกัลยาณนะ์ุักผชนจะทั้งเป็นกัลยาณมิตรกันได้ชี้ทางกันได้บอกทางกันได้เป็นน่ของอริยชนเดินทางชั้นใดชั้นหนึ่งเช่นสวสดาบันสวัสดาบันเปนหึ่งแล้วโกรธมันมน้อยลง ความโลภความกดความหลงยังมีอยู่แต่มันน้อยลงคิดแล้วกอบคิดแล้วโลภที่แล้วหลงมันรู้ทันมากขึ้นหรือว่าดณะของสติธาคามีอย่างนี้นะก็แสดงว่ามันยังมีอยู่แต่เบาบางเต็มที่แล้วอนาคามีก็หมายถึงว่ามันเกิดขึ้นครั้งเดียวปฏิฆาเกิดขึ้นก็รู้ทันราคาเกิดขึ้นนิดเดียวก็รู้ทันมันไม่ลามไปถึงเป็นความโลภความกดความหลง เป็นความรักเป็นความชังยังไงนะเป็นโทษาเป็นมหาเป็นโลภะมันกระดิกนิดเดียวรู้เลยกลับมาได้ทันทีแล้วน่ของอน า, ามียแล้วมันก็นจําแม่นเลยโอย้นี่ลองรอยที่หลุดไปเผลอไปเป็นตัวคิดที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมาแค่วาดไหวไปรู้เท่ารู้ทันได้มันเห็นสมัยฐานการคิดชัดตั้งแต่เบื้องต้นแล้วล่ะอย่างนะ แคถ้ามันเหมือนกับว่ามันมีแต่ตัวรู้อะตัวรู้ตรงเนี้ยเราให้ความเคารพอย่างมากเลยเพราะว่าตัวรู้่มันเป็นธรรมที่ทําให้เกิดความไม่ประมาณการมีสติประฐานสี่เต็มรอบอย่านเนีน่มันทําให้เกิดความไม่ประมาณแล้ววิชารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวอธิบายต่อนิดนึงว่า ความรู้สึกตัวนันเป็นทัง้งศีลความรู้สึกตัวเนี่ยมันคือตัวสติมันมีสติมันก็มีศีลอยู่ในตัว ม, มีความรู้สึกตัวมีสติเมื่อไม่มีสติสติมันรู้หรือรู้ถูกมันเป็นสัมมาสมาธิไปในตัวนีมันรู้มันรู้ถูกการเคกอนการให้วางทายวางใจแต่พอดีนะี่ มันจะมีความสุขในการไิบัตตานั้นให่เกิดสมาธิยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งทำยิ่งรู้สึกว่าสุขเป็นพิเศษเมื่อก่อนมันสุขในวัตถุกรรมคุณฑ์อนนั้มันสุขเนอาของนามธรรมที่มันเกิดภายในใจของเราจิตมันสงบขึ้นมันอิ่มมันเกิดอาการที่มันยอมรับได้มันยอมรับในตัวสภาวะของมัน แล้วมันก็อยู่ได้ด้วยนะไม่ต้องอิงด้วยบทุนถึงสองสามบุคคลถึงสองสามเรียกว่านี่เราไม่สุขเลยนะการ น, นี้คว า, ามรู้สึกตัวเนะี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญญาทุกครั้งที่เคลื่อนไหวเนี่ยนะมันเป็นตัวปัญญาไปในตัวเบื้องต้นเลยมันเห็นการเคลื่อนไหวห ย, ยาบๆ เ, เห็นการเคลื่อนไหวของละเอียดของความคิดของจิตไปทางทวารต่างๆ ต, ต, ต, ตาหูจ้าของร่กายใจ การที่มันมีที่อยู่อยู่ปกติอยู่เปนมาตรฐานเป็นบ้านของจิตนะมันใช้กายเป็นวิหารธรรมก็คือทุกครั้งที่อยู่กับกายมันก็มีจิตปกติไปมาตรฐานอยู่กายก็นหนวยใจรู้กายทําอะไรใจทําด้วยนี่เพราะฉะนั้นมันจึงรวมลงอยู่ในความรู้สึกตัวเราขยันเคลื่อนไหไปเรื่อยๆน่ใหม่ๆอาจจะเพ่งจี้จ้องบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะพอดีพอ ด, พอดีเกิดขึ้นมา มันก็หลงไปตามนิสัยความเคยชินเก่าๆไม่เป็นไรตรัวนีมันจะมีประสบการณ์ที่ดีอันนั้นก็เห็นว่าสมควรเกิเวลาก็ขอให้การใชจยืดร่วมกันที่วัดป่าสุขโตไม่ว่าจะมาด้วยกิจกรรมอะไรอะไรก็ตามขณะนี้วินาทีนี้ก็ขอให้มีความรู้สึกตัวแล้วก็ต่อต้องเชื่อมโยงไปจนะทั้งเห็นว่ารูปแบบวิธีปฏิบแนวเคลื่อนไหวนะั้นมันเป็นสิ่งที่ พาเราไปสู่นะความพ้นทุกข์เราเรียกว่าจิตปกติแต่ละขณะแต่ละขณะนนะีก็ขอให้มีพัฒนาการนะในการฝุดหัดปิบัติธรรมจ น, นถึงที่สุดแห่งของทุกข์โดยทุนักการทุกท่านทุกรูทุกนานเติอน